ตั้งแต่วันที่เธอแยกทานจากไปพัใจเราหมดร้ายกันแต่ไม่ใช่ใจของฉันเพราะมันยังเหมือนเดิมกับวันแรกเธอ ตั้แต่วันที่เราต้องการห่างกันฉันยังแอพหวังให้เธอได้จบดีทุนึงราที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้ Whoa. ที่ยอมให้เธอไปไม่ได้แปลว่าฉันต้องการลืมเธอที่อมไม่พบเธอไม่ได้แปลว่าฉันนั้นมีใคร ที่ยอมทนคิดถึงไม่ได้แปลว่าฉันนั้นสนไว้ที่จริงแล้วในใจก็กลัวเหลือเกินกลัวว่าความคิดถึงที่มันส่งไปไม่ถึงเธอแล้วมันจะไม่เธอนั้นลืมว่าใครยังรอตรงนี้กลัวว่าใครถึงนั้นจะเข้ามาแทนที่เธอ รักของเราแต่รู้ของเธอและเขาอาจทำให้มันลบเลือนจากนี้ ว, ว, ว้ที่ยอมให้เธอไปไม่ได้ไ ที่มันส่งไปไม่ถึงเธอแล้วมันทำให้เธอนั้นลืมว่าใครยังรอดง กลัวความคิดเธอ